คาถารวมวินิตวัตถุเรื่องที่ทรงวินิจฉัยแล้วเร like ื่องผ้ากำพลสีแดงหนึ่งเรื่องเรื่องผ้ากำพลขนยุ่งเยิงหนึ่งเรื่องเรื่องผ้าห่มขนยาวหนึ่งเรื่องเรื่องขนทางราบเรียบหนึ่งเรื่องเรื่องให้ทานหนึ่งเรื่องเรื่องผ้ากำพลขนแข็งหนึ่งเรื่องเรื่องผ้ากำพลขนหยาบหนึ่งเรื่องเรื่องนาวานหนึ่งเรื่องเรื่องมีศรัทธาหนึ่งเรื่อง เรื่องทำงานสามเรื่อง